166. ปติกขหิตาทิอนุชา a น า, นาว่าด้วยทรงอนุญาตให้ฉันของที่รับประเคนไว้เป็นต้นเรื่องของฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้า 277. สมัยนั้นตระกูลอุปถากของท่านพระอุปนันทะสากยบุตร ส่งของเคี้ยวไปถวายสง์ด้วยแจ้งว่าขอมอบให้พระกุณเจ้าอุปนันทะเป็นผู้ถวายสง์ครั้งนั้นท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรกําลังเข้าไปบินธบาดในหมู่บ้านพอดีคนทั้งหลายไปถึงอารามได้ถามภิกษุทั้งหลายว่าพระกุณเจ้าทั้งหลายพระกุณเจ้าอุปนันทะไปไหน ภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกทั้งหลายท่านอุปนันทะสากยาบุตรองนั้นเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านคนเหล่านั้นกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายของเคี้ยวนี้ขอมอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทะเป็นผู้ถวายสงภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงรับประเคนเก็บไว้จนกว่าอุปนันทะจะกลับมาครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรเข้าไปเยี่ยมตระกูลก่อนเวลาฉันกลับมาถึงตอนกลางวัน เวลานั้นเป็นคราวข้าวยากมากแพงภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กน้อยแล้วห้ามเสียบ้างพิจารณาแล้วห้ามเสียบ้างเป็นอันว่าพระสงฆ์ล้วนเป็นผู้บอกห้ามพระตาหารแล้วทั้งนั้นภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคนพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรับประเคนฉันเถิดเราอนุญาตให้ภิกษุฉันแล้วบอกห้ามพัฒตาหารแล้วฉันโพชนาหารที่ไม่เป็นเดนที่รับประเคนไว้ก่อนเวลาฉันได้